พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปสระสูตรที่14มหามาลุงกโยวาทาสูตรสูตรว่าด้วยประธานโอวาทแก่พระมาลุงกะยะสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายทรงจำสังโยชน์หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำห้าประการซึ่งทรงแสดงไว้พระมาลุงกะยะบุตร กราบทูลว่าท่านทรงจำได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าทรงจำได้อย่างไรจึงกราบทูลว่าได้แก่หนึ่งสกิยธิฐิความเห็นเป็นเหตุหยึดกายของตน 2. วิจิกิจชาความลังเลสงสัย 3. ศิลปะปรามาศการลูกคลาศิลปรส คือเชื่อว่าจะเกิดผลดีด้วยศีลรสนั้นนั้นหรือติดลัทธิพิธีโชคลาง 4. กามฉันความพอใจในกาม 5. พยาบาทความคิดปองร้ายตรัสกับพระมาลุงกยบุตรว่าท่านทรงจำไว้ว่าเราแสดงแก่ใครพวกนักบวดลัทธิอื่น จะพูดแข่งดีด้วยการเปรียบเทียบกับเด็กอ่อนไม่ใช่หรือเพราะว่าเด็กอ่อนนอนงายย่อมไม่มีแม้ความคิดว่ากายของตนความเห็นเป็นเหตุยึดถือกายของตนจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าอนุสัยหรือกิเลสที่แฝงตัวคือความเห็นเป็นเหตุยึดถือกายของตนของเด็กนั้นย่อมแฝงตัวตามไป แล้วตรัสแสดงต่อไปอีกเป็นข้ อ, ขอว่าเด็กย่อมไม่มีแม้ความคิดว่าธรรมะทั้งหลายความสงสัยในธรรมะทั้งหลายจะมีได้อย่างไรแต่ว่าอนุสัยคือความสงสัยของเด็กนั้นย่อมแฝงตัวตามไปเด็กย่อมไม่มีความคิดว่าศีลการลูบคลมศีลและพรจะมีได้อย่างไรแต่ว่าอนุสัย คือการลูกความสิ้นและรสของเด็กนั้นย่อมแฝงตัวตามไปเด็กย่อมไม่มีแม้ความคิดว่ากามความพอใจในกามจะเกิดได้อย่างไรแต่ว่าอนุัยคือความพอใจในกามของเด็กนั้นย่อมแฝงตัวตามไปเด็กย่อมไม่มีแม้ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายความพยาบาทในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดได้อย่างไร แต่ว่าอนุสัยคือความพยาบาทของเด็กนั้นย่อมแฝงตัวตามไปสำหรับข้อนี้อัทธกะถาว่าระมาลุงกยบุตรมีความเห็นผิดว่าบุคคลจะประกอบด้วยกิเลสก็เฉพาะตอนที่ถูกกิเลสครอบงำเท่านั้นในขณะอื่นไม่ชื่อว่าประกอบด้วยกิเลสจึงเป็นการเหมาะสมที่ตรัสอธิบายให้เห็นว่า เด็กไม่มีกิเลสจริงหรือไม่โดยตรัสว่ากิเลสประเภทแฝงตัวยังติดตามอยู่พระอานุ์จึงกราบทูลอารัธนาให้ทรงแสดงเรื่องสังโยชน์เบื้องต่ำห้าภิกษุทั้งหลายจะได้ทรงจำไว้จึงตรัสอธิบายว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมีจิตถูกสังโยชน์ห้ารึงรัฐ ไม่รู้การถอนตัวจากสังโยชน์ห้าตามเป็นจริงสังโยชน์นั้นๆจึงมีกำลังจัดเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับมีจิตไม่ถูกสังโยชน์ห้ารึงรัดรู้การถอนตัวจากสังโยชน์ห้าตามเป็นจริงอริยสาวกนั้นจึงละสังโยชน์ห้าพร้อมทั้งอนุสัยคือกิเลส ท, ที่แฝงตัวตามเสด็ได้ ว่ามัคคาปฏิปทาที่ส่งแสดงเพื่อละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการบุคคลไม่อาศัยมัคคาปฏิปทานั้นจะละสังโยชน์เหล่านั้นได้ไม่ใช่ฐานะที่มีได้เปรียบเหมือนการตัดแก่นไม้ของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นโดยไม่ตัดเปลือกไม่ตัดกับพีนั้นไม่ใช่ฐานะที่มีได้หรือเปรียบเหมือนคนมีกําลังสามกล่าวว่า จะใช้มือไหว้ข้ามแม่น้ำคงคาซึ่งมีน้ำเต็มฝั่งไปสู่ฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีก็ไม่พึงทําเช่นนั้นได้ฉันใดเมื่อแสดงธรรมแก่ใครๆเพื่อละกายของตนแต่จิตของผู้นั้นไม่ส่งไปตามไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่หลุดพ้นก็พึงเห็นเป็นฉันนั้นสาหรับฐานะที่เป็นไปได้ พึงทราบในทางตรงกันข้ามทั้งสองแห่งอันหนึ่งการตัดเปลือกตัดกะพีนั้นอัตถกถาเทียบด้วยสมถะวิปัสนาส่วนตัดแก่นเทียบด้วยมัคตัสแสดงมัคขาปฏิปทาเพื่อละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการคือการที่ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลละธรรม เข้าฌานที่หนึ่งถึงที่สี่อันเป็นรูปฌานฌานมีรูปเป็นอารมณ์กับเข้าอรูปฌานที่หนึ่งถึงที่สามคืออากิญจัญายตนะพิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นของไม่สบายเป็นเครื่องเบียดเบียนเป็นฝ่ายอื่นเป็นของสุดโทมเป็นของไม่ใช่ตัวตน เรื่องจิตจากธรรมะเหล่านั้นคือขันหาน้อมจิตไปเพื่อธาตุอันเป็นอมตะคือนิพพานผู้นั้นตั้งอยู่ในฌานแต่ละข้อนั้นย่อมถึงความสิ้นอาสวะได้ถ้าละอาสวะไม่ได้ก็จะได้เป็นพระอนาคามีพระอนน์กราบทูลถามว่ามัคคาปฏิปทาเพื่อละสังโยชนเหล่านั้น ก็อย่างเดียวกันเหตุไนัยภิกษุบางรูปจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะสมาธิหรือเจโตวิมุตตบางรูปหลุดพ้นเพราะปัญญาหรือปัญญาวิมุตต์ตรัสตอบว่าเพราะอินทรีย์ต่างกันคำว่าอินทรีย์หมายถึงธรรมะอันเป็นใหญ่มีห้าคือศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญา